บทที่194ครั้นแล้วสนธยาย่ำก็คืบคลานเข้ามาในระหว่างที่กองทัพพยายามเดินกันอย่างรีบด่วนเหมือนจะแข่งกับเวลาแสงแดดผีตากผ้าอ้อมทอแสงส้านอยู่เบื้องหลังของทุกคนและสะท้อนไปยังเมืองใหญ่เบื้องหน้าซึ่งมองเห็นกำแพงเมืองตั้งระ ง, งานลิบลบิมียอดปรางปรามหาปราศาสตร์และมนโดดสูงทะยานโผล่ขึ้นมา ให้เห็นราวกับภาพวาดของนครในจินตนายายขณะนั้นกองทัพเดิอนอยู่บนแนวโค้งของถนนสูงกว่าระดับของตัวเมืองยึงทำให้สามารถมองข้ามกำแพงเชิงเทินลงไปเห็นอาคารบ้านเรือนภายในพระนครอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นเป็นบางสุดฉเฉลยทุกคนไม่ละโอกาสนี้ยกเว้นจากพวกพรานพื้นเมืองที่แลเห็นกันด้วยสายตาเปล่า และวิจารณ์ชี้บอกกันอย่างตื่นตะลึงแล้วพวกฝ่ายเจ้านายต่างใช้กล้องสองทางไกลประจําตนสํารวจดูพร้อมกันก่อนที่ขบวนจะเคลื่อนลงสู่ถนนระดับต่ำเสมอกับตัวเมืองซึ่งในวาระนั้นกาแพงจะบังไว้ทั้งหมดไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อจริ ง, รงๆว่าชาวมรกรนครจะเจริญด้วยสถาปัตยกรรมถึงเพียงนี้ อดีตนายพันโททูตทหารบกหัวหน้าคณะพึงพำออกมาอย่างงุนงงเมื่อสำรวจละเอียดไปยังสิ่งก่อสร้างที่เห็นจากเลนในกล้องสองทางไกลขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นกำแพงซึ่งทำด้วยหินสลักจากภูเขาเป็นแท่งขนาดใหญ่ทั้งแท่งหรือยอดปราสาต ร, ราชวังอันทำด้วยศิลาแรงสลับหินอ่อนและเกรดหินประดับหลากสีศิลปะในสถาปัตย์รูปนี้นะ หนักไปทางภาระตะ์มรกรนคอนจะต้องมีอะไรเกี่ยวพันกับชมพูทวีปในยุคโบราณแน่นอนหรือไม่ฉะนั้นก็อินเดียนั่นแหละที่ได้รับอารยธรรมจากที่นี่ไปถ้าหากเราพิจารณาว่านครนี้เก่าแก่กว่าดารินกล่าวอย่างตื่นเต้นหลันจ้องมองดูตัวเมืองนั้นอย่างตื่นตะลึงในความงามก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกเหนือไปจากที่เธอว่านะน้อย สังเกตชื่อเทพเจ้าของพวกนี้เราก็รู้อยู่แล้วนี่ถึงชื่อของบุคคลก็เหมือนกันรู้สึกว่าจะหนักไปทางภาษาสันสกฤตทั้งนั้นนี่มาเรียกล่าวเสริมมาโดยเร็วแล้วหัวเราะออกมากับตนเองบอกต่อไปว่าหวังว่าตาพวกเราคงไม่ถูกหลอกให้ฟั่นเฟือนไปนะจากสิ่งที่มองเห็นอยู่นี่ปู้กองคุณรู้สึกยังไงบ้างสาหรับกรุงโรมเอ้ยกรุงมรดกที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้า ตอนตะวันพลูเพลงยามเนี้ช ย, ยันร้องถามมามักคุเทศประจำคณะก็ตอบมาด้วยอารมณ์ขันพอๆพกันว่าก็รู้สึกเสียดายครับที่สายการบินทุกแห่งทั่วโลกไม่ยอมบินลงที่เมืองอันแสงจะสวยงามนี้เลยเออบางทีอาจจะเป็นเพระาะพวกอุณหภูมิส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศนี้ทํางานไม่เอาไหนเลยก็ได้นะครับดารินโงกหน้าขึ้นไปบนเกวียน ยิ้มให้กุตมะกล่าวอย่างร่าเริงว่ากุตมะเมืองของท่านสวยงามมากนะเรายังไม่เคยเห็นศิละปะ ก, การก่อสร้างที่ไหนจะวิจิตพิสดารอย่างนี้มาก่อนเลยแม่หญิงเรายัางอยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองอีกมากนะักท่านรู้ได้ยังไงว่ามรกตนครสวยงามกุตมะถามเหนื่อยแทนคำตอบดารินปีนขึ้นไปบนเกวียน ส่งกล้องของหลอนให้กับขุนพลเท่าซึ่งแกรับไปดูอย่างงงงงไม่เข้าใจหลอนอธิบายอยู่ครู่เดียวและแนะนำให้กุตมะปรับเลนให้เข้ากระสายตาของตนเองเมื่อภาพในเลนเข้าที่มองเห็นได้กระจ่างชัดกุตมะก็มีสีหน้าตื่นงงประหลาดใจอย่างยิ่งถอดกล้องออกดูด้วยตาเปล่าซึ่งมองเห็นเป็นภาพตัวเมืองได้รางๆงแล้วก็ยกกล้องขึ้นซองเปรียบเทียบอีกประหลาดมาก ระล่จริงๆแกคลางออกมาจ้องหน้าหญิงสาวเครื่องมือของแม่หญิงอันนี้น่ะมันมหัศจรรย์เหลือเกินเหตุไกลระยะห่างไกลมองด้วยตาเราเองเกือบจะไม่เห็นแต่เมื่อส่องด้วยเครื่องมือนี้จึงดูดภาพเข้ามาใกล้ให้เห็นชัดเจนได้ถึงเพียงนี้ดารินหัวเราะเสียงใสถ้าเราจะพูดเพื่อหลอกลวงท่านอย่างไร้าสาระ เราก็อาจจะพูดได้ว่า น, นี่เป็นกล้องวิเศษซึ่งวิเศษกว่าตาของแม่มดมาชิกาที่พวกท่านเคารพนับถือซะอีกเป็นกล้องที่เราเสกสร้างขึ้นมาด้วยเวทมนต์แต่ความมดเท็เนี่มันหาประโยชน์อันจรังไม่ได้รบอบกุตมะเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายท่าน ท, านทราบตามตรงเพื่อท่านจะได้เข้าใจไว้ที่ท่านดูด้วยกล้องนี้แล้วเห็นภาพที่อยู่ไกลมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ว่ามันถูกดึงหรือย่อนย่อให้เข้ามามองเห็นได้ชัดนั้นมันเกิดขึ้นจากกระจบกหรือที่ท่านเรียกว่าแก้วก็ได้ที่มีคุณสมบัติในการดูดดึงภาพซึ่งพวกเรามนุษย์จากโลกภายนอกคิดค้นสร้างขึ้นมาจากหลักเกณฑ์ง่ายๆเพื่อการนี้โดยเฉพาะมันอาจจะดูเหมือนของวิเศษสำหรับผู้ที่ไม่รู้แต่มันเป็นแค่ของใช้ธรรมดาที่สุดของพวกเรา เช่นเดียวกับกระบอกวิเศษของพวกเรานี่ก็เหมือนกับความจริงมันก็ไม่ได้วิเศษหรือสร้างขึ้นโดยเวทมนต์คาถาอะไรหรอกมันถูกสร้างขึ้นมาจากวิทยาการยุคใหม่ซึ่งสแสวงหาได้จากวัตถุธาตุและส่วนประกอบของพิภพโลกนี่แหละแต่อํานาจของมันนะมีเหนือกว่าหอกดาบหรือธนูของท่านเพราะสามารถประหารได้ไกลกว่าและแม่นยํากว่าก็โดยหลักเกณฑ์เดียวกันนี่แหละ แม่มดวาชิกาที่ท่านอ้างว่ามิริทธวิเศษชนนักหนาเราจึงไม่เชื่อไม่เลื่อมใสโดยสิ้นเชิงผู้มิริทธวิเศษมีอิทธิปาฏิหาริย์ได้เหนือมนุษย์ปุถุชนจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ในศีลสัตว์และสละแล้วซึ่งกิเลสทั้งหมดคงไม่ใช่ตัวการประเภทที่ยุยงให้ใครปฏิวัติหรือขบฏใครอย่างแม่มดวชิการกุตมะมองดูหญิงสาวด้วยความเลื่อมใส และพยักหน้าลงช้าๆอย่างเข้าใจเราพบกันไม่นานนักแม่หญิงผู้มีสิริลักษณ์แต่นอกจากท่านจะเป็นผู้ช่วยชีวิตเราไว้แล้วท่านยังเป็นผู้ที่เปิดแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่เราด้วยดาริสนสันศรีสัจจ์จับมือกุตมะไว้อย่างปราศจากความเดียดฉัน ท่านผู้เท่าท่านเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วเราเพียงแต่สกิดเตือนให้ท่านใช้ปัญญานั้นเท่านั้นเพื่อไม่ให้ท่านหลอกตัวเองงมงายอยู่อีกต่อไปอุตมะส่งกล้องคืนให้หญิงสาวกิริยาเสื่องซึงกล่าวเบาๆว่าเมื่อครูนี้ท่านกล่าวว่าเมืองของอุตมะสวยงามมากใช่เราพูดด้วยความรู้สึกแท้จริงเช่นนั้นนะอุตมะ แม่หญิงมันไม่ใช่เมืองของกุตมะรอกแต่เป็นของชาว ม, ม, มรกรนครทุกคนขุนพลเท่าเน้นเสียงตอบมาด้วยสำเนียงประหลาดแต่เดี๋ยวนี้เดียวนี้ในะ ม, มรกฏนครเป็นของสิงหราของรหั ส, สยะและวงสาขานายาของเขากลุ่มเดียวเท่านั้น ดารินเอียงหน้าเข้ากระซิบข้างหูเลิกคิว้วและยังถามอีกว่าไม่ใช่เหรอกุตมะไม่ตอบนอกจากก้มลงมองดูดาบของตนเองอย่างมือลอยขณะนั้นระพินไพรวันก็เพนแผลวขึ้นมาบนแอกเกวียนด้านหน้าอีกคนหนึ่งทั้งคนป่ยและหมอดารินหันไปมองจอมพรานที่กำลังใช้ผ้าเขามาที่เขียนเอวเช็ดฝุ่นบนใบหน้า กุตมะกองทัพนีกกาลังได้รับคาสั่งจากจอมทัพรหัสสยะให้เร่งเดินเหลือเกินนี่เขาหมายที่จะเข้าถึงตัวเมืองก่อนข้าไม่จงได้หรือไงเนี่ยขุนพลท่าโครงศรีศักดิ์ท่านพรานจะเร่งเดินซักเพียงไรกองทัพอันมีผู้คนมากมายเหล่านี้นะก็ไม่อาจจะเข้าถึงประตูพระนครก่อนตะวันตกดินได้หรอกคืนนี้นะกาลังพลส่วนใหญ่ จะต้องพักอยู่ยังลานทุ่งหน้าพระนครนอกกำแพงเมืองแน่นอนนี่เป็นกฎที่เคร่งครัดดีมากนะหมายถึงจอมทัพรหัตสยะด้วยเหรอที่จะต้องรอคอยอยู่นอกพระนครพร้อมกับกองทัพจนกว่าจะรุ่งเช้านะท่านพราณทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนีนะ้มันก็มีข้อยกเว้นทั้งนั้นแหละ กุตมะแสดงถึงความคมในด้านวาจาอยู่ทุกประโยครหั ส, สยะนะเป็นถึงอุปราชพระานุชาของสิงหราผู้ครองแผ่นดินก็ยอมทรงสิธย์อยู่เหนือขุนทับนายกอง ใ, ใดๆทั้งสิ้น ม, มันก็สุดแต่ความพอใจของเขาหากเขาจะพักอยู่กะกองทัพรอเวลาจนกว่าจะรุ่งสางพรุ่งนี้ก็ได้หรือจะถือเป็นราชกิจพิเศษ เข้าไปเฝ้าพระเชษฐาสิงหราในราตรีนี้จะนอนนวดแวดล้อมนางบำเร อ, อยู่ภายในปราสาทที่บักของเขาก็ยอมจะได้ทั้งสิทธิ์รวมทั้งจะเลือกทหารคนใดให้มีสิทธิ์เข้าพระนครไปพร้อมกับเขาก็ยอมได้อีกเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าควรจะเป็นเช่นนั้นเลยนะกุตมะกระพินว่าพลางกว่าตาไปรอบๆ แล้วกระโดดหายลงไปโดยไม่กล่าวอะไรอีกจิงดังที่กุตมะบอกไว้ก่อนจะลงจากโค้งถนนที่เทลาต่ำลงมาแสงสว่างของดวงตะวันจากเบื้องบนก็หมดสิ้นไปและเห็นแต่เงาของละเมาะไม้สองฝากฝั่งถนนและตรงบริเวณทุ่งโลง่งกว้างใหญ่หน้าคูเมืองเป็นเงาตะคุ่มแล้วต่อมามิชามินาต ก็ปรากฏแสงประทีปชวาลาจากในพระนครสว่างสวัยวูบว่าท่ามกลางสีดําสนิทของราตรีเบื้องน้ารหัสยะสั่งพักพลทันทีพร้อมกับสั่งการอะไรเป็นโกลาหนมีเสียงกู่ร้องตะโกนโต้อตอบกันไปมาระหว่างทหารที่ขึ้นประจําเชิงเทินรักษาประตูและทหารของรหัสยะต่อมาระหว่างที่ฝ่ายฉเฉลยกําลังสาละวนอยู่กับการเตรียมเข้ายึดกระโจมพัก ที่ทหารพวกนั้นสร้างให้อยู่นั้นรหัสเสีกับทหารสนิทชุดหนึ่งก็ควบมาโผกผผนรงเข้ามาประกาศไปยังทุกคนด้วยเสียงดังฟังชัดพวกท่านทั้งหลายพวกท่านคงทราบดีแล้วนะว่ากองทัพนี้ยังไม่สามารถจะผ่านประตูเมืองเข้าไปได้จนกว่าจะพรุ่งนี้เพราะเป็นกฎของแผ่นดินที่จะไม่ยอมให้กองทัพผ่านเข้าในเมืองหลังตะ ว, วันตกดินไปแล้ว แต่ส่วนเรานี่มีราชกิจสำคัญที่จะไปกราบทุนกริสับให้ทรงทราบเป็นการด่วนจึงจะต้องเข้าไปตามลำพังส่วนตัวก่อนขอให้พวกท่านสงบพักอยู่กรบกองทัพนี่เหมือนเช่นเคยเพื่อรอเวลาพรุ่งนี้ซึ่งเราจะออกมารับกองทัพนำเข้าเมืองชายันคันปากยิบยิบจึงขยับจะกระซ้าหรือวิชานั้นก็ขัดคอแต่เชิดาเหยียบท้าไวส้สกอดตอบแทนฝ่ายฉเฉลยทุกคนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า ท่านจอมทัพเราเข้าใจแล้วละ่ะเชิญท่านตามอธัธยาศัยเถอะและเราจะรู้สึกเป็นบุญคุณอย่างยิ่งถ้าหากท่านผู้ล่วงหน้าเข้าไปพบกรรษัตริย์สิงหราผู้เป็นพระเชษฐาของท่านแล้วกราบทูลให้ทรงคิดเซะว่าเราน่ะเป็นแขกเป็นอักขันตุกะต่างแดนผู้มาด้วยไมยตรีแทนที่จะคิดว่าเราเป็นศัตรูหรือเฉลอยอย่างเช่นที่ถูกพิจารณาอยู่ในขณะนี้ ราษยะมองกราดไปยังทุกคนอีกครั้งอย่างช้าๆพร้อมกับยิ้มที่แฝงเลสนันเราจะพยายามให้พระเชษฐาเข้าพระทัไทยพวกท่านเช่นนั้นอุปราชพระอนุชาพูดเรียบๆบนรอยยิ้มละไมอันไม่น่าดูนะและในการที่เราจะต้องเข้าไปในพระนครก่อนกองทัพด้วยราชกิจพิเศษนี้เราก็จะเอากุตมะเข้าไปพร้อมกับเราด้วย ท่านจอมทัพท่านจะเข้าไปในเมืองก็เชิญตามสบายของท่านสิจะเอาทหารคนสนิทร่วมติดตามไปอีกกี่คนเพื่อไปสุขสบายอยู่ในเมืองในระหว่างที่กองทัพส่วนใหญ่ยังต้องนอนกระดนินกินกระซายเช่นนี้เราก็ไม่ขัดแต่มันเรื่องอะไรล่ะที่ท่านจะต้องเอากุตมะเข้าไปพร้อมกับท่านด้วยดารินขัดขึ้นทันทีนี่นานามีเหตุผลอันใดที่จะมาขัดขวางหรือห้ามปราบเราในข้อนี้ หัสยะร้องออกมาฉุนฉุนเพราะนึกไม่ถึงว่าดารินจะขัดขวางนีสิดารินตอบอย่างชัดเจนพร้อมกับก้าวออกมาเผชิญหนนะ้าก็กตมะยังเป็นคนไข้ของเราอยู่อย่างน้อยที่สุดเมื่อพวกเราฉเฉลยทั้งหลายจะต้องอยู่นอกเมืองคืนนี้กุตมะซึ่งเป็นคนป่วยของเราก็จะต้องอยู่ในความดูแลของเราด้วยก็เขายังไม่ปลอดภัยนักนี่คราวนี้รหัสยะหัวเราะเสียงดังสนัน่น เหมือนจะรู้ทันว่าเออะอะไรหมอดารินก็จะอ้างถึงการพยาบาลรักษาเป็นเครื่องถ่วงเอาตัวกุตมะไว้แล้วถือเป็นข้อต่อรองมาตลอดนี่นะไม่หญิงผู้ ง, งามกล้าและฉลาดไปด้วยก้นอุปราชพระอนุชาเว้นระยะนิดหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ดารินฉุนเฉียวในวาจานั้นจนแทบเป็นเรานะ่นับถือในภูมิปัญญาของท่านเกี่ยวกับการแพทย์ ที่ช่วยชีวิตกุตมาไว้ได้แล้วสัญญาว่าจะไม่ลืมบุญคุณนี้แต่นั่นน่ะมันเป็นเหตุการณ์ขนาดที่เราอยู่กลางป่ากลางสมรภูมิซึ่งขาดแพทย์หลวงทางฝ่ายเราแต่บัดนี้พระนครใหญ่มองเห็นอยู่เบื้องหน้านี้แล้วแพทย์ของเราเองก็พร้อมพรักและในฐานะแพทย์เมื่อคนป่วยของท่านมีโอกาสที่จะได้รับการรักษาเยียวยาและพักผ่อนให้สบาย ท่านจะไม่ให้โอกาสนั้นแก่เขาเรยท่านจะร่างตัวเขาไว้เพื่อหลอกถามอะไรอีกประโยคหลังดารินวราฤทธิแทบสะดุง้งส่วนคนอื่นๆก็จังงังกันไปหมดเรูปหลอกถามนั่นท่านหมายความว่ายังไงหลอกถามอะไรดารินแข็งใจร้องถามแสงทำหน้าตื่นงงขณะที่ใจนั้นหายวูบ อุปราชพระอนุชาหัวเราะในลำคอไม่สนใจกับคำพูดของหล่อนอีกประกาศก้องมาอีกว่าในฐานะจอมทัพระหว่างที่เราและกุตมะไม่อยู่นี่เราขอแต่งตั้งให้จิตเสนพร้อมกับกล่าวคำนั้นรหั ส, สยะเอื้อมมือไปตบไหล่ของนายทหารวัยกลางคนท่าทางเขี่ยมหานเฉียบขาดผู้หนึ่งซึ่งยืนมาอยู่ใกล้ ตั้งให้จิตเซนเป็นผู้ควบคุมดูแลกองทัพแลยเฉลยเราท่านจะได้รับความสะดวกสบายเหมือนอย่างที่ได้รับมาแล้วทุกอย่างยกเว้นประการเดียวคือจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินออกนอกเขตค่ายพักของทหารเป็นอันขาดหวังว่าท่านคงเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้องอย่างเช่นเคยปฏิบัติมาแล้วลาก่อนพรุ่งนี้เราจะได้พบกัน จบคำพูดอันดังกึกก้องแล้วหัวเราะดังสนัน่นแล้วรหัสยะก็โบกหอกในมือเกี้ยวของกุตมาซึ่งปลดม้าคู่ออกไปแล้วก็ถูกนํมาม้าเข้ามาเทียมอีกครั้งเพื่อเดินทางเข้าเมืองดารินร้องเร็วปรือว่าเดี๋ยวก่อนเจ้ากุตมาเข้าเมืองไปสักคืนนี้เลยเราก็ไม่ว่าอะไรละ่ะแต่จะฝากยาของเราไปเขากินในเมืองด้วยในระหว่างที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเรา พลางหลอนก็วิ่งเข้าไปคนที่หีบร่วมยาระพินกระเชิฐารู้เชิงรีบรงเข้าไปใกล้ชิดกุตมะพร้อมกระดารินทันทีรหัสยะพูดเป็นในประหลาดพวกเราเกรงว่าท่านอาจได้รับอันตรายเส่แล้วในการแยกจากไปในครั้งนี้คำพูดของรหัสยะสัมแดงให้เห็นว่ารู้ทันในกรณีที่ท่านฝักฝเป็นมิตรกับเราระพินกระิบเบาที่สุด ในระหว่างที่ดารินผู้ทําเป็นแซงเอายามามอบฝากให้หน้าซีดเผืดแต่ชายชรายิ้มเยือกเย็นมองหน้าทุกคนอย่างเป็นมิตรใช่รหัสสยามสงสัยว่าเราฝักไฟเป็นมิตรกับพวกท่านแต่ขออย่าได้กังวลไปเลยปล่อยให้เขาเอาเราเข้าไปในเมืองพร้อมกับเขาด้วยในคืนนี้เถเพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็มีทางจะเอาตัวรอดได้ และจะได้รู้ด้วยว่ารหั ส, สยะกราบทูลอะไรกับกษัตริย์สิงหราเกี่ยวกับพวกท่านในนคร น, นี้เราไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่ารหั ส, สยะแต่ถึงอย่างไรเราก็มีสิทธิ์มีเสียงที่กษัตริย์สิงหราจะต้องเงียบโสดฟังอยู่เหมือนกันมาเทียมทั้งสองเริ่มลากเวียนของกุฏมะห่างออกไปเพื่อเข้ากับขบวนทหารมาชุดหนึ่ง ประมาณ20สิบคนของรหัสยะอันจะล่วงหน้าผ่านเข้าประตูพระนครไปก่อนกุตมะยิ้มให้เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับบกมือช้าๆหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะสหายเท่าชา ย, ยันตะโกนไล่หลังไปไม่มีคำตอบจากกุตมะนอกจากเสียงฝีเท้ามาและโอกวียนซึ่งเริ่มจะทวีเร็วขึ้นทุกขณะจนกระทั่ง กลืนเงียบหายไปในความมืดทุกคนยืนนิ่งราวกับนัดกันไว้ด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจจะกล่าวถูกมันเป็นความรู้สึกสังหรณ์ที่ตรงกันหมดนั่นคือเคราะห์กรรมอันใดจะเกิดขึ้นกับขุนพลเท่ากุตตมะหรือไม่